หรือว่าเวลาไปเห็นแม่น้ําสาใหญ่ๆก็นึกถึงนะเราต้องเรียไปเอ่อขอไปไปเห็นน้ําทะเลก็นึ ก, นกเนี่ยเราต้องเหน็ดเหนื่อยสูนเสียงเหงือ่อต่อไปข้างหน้ามากกว่า น, น้ําทะเลอีกหลายทะเลนักแร่จะต้องทนทุกข์ทรมานนะบาดเจ็บเลือดนะอะไรตำทิ่มนิดๆหน่นนนอยๆเลือดอะไรก็นึกถือว่าจะต้องเสียเลือดมากกว่นาน้ําทะเลนะนะ้ำนะนะนะตา ม, มากกว่าน้ําทะเลนะนะ้ําเลือดมากกว่าน้ําทะเลเหงื่อมากกว่าน้ํา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 พระพุทธเจ้าติดสัตว์พระพุทธเจ้าพระองค์ที่สิบเจ็ดที่พยากรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะนับถอยหลังจากนี้ไปเมื่อเก้าสิบสองกับเนี่ยนะกสบกสองกลับกลับอะไรกลับคือหน่วยคือมหากลับนะหน่วยคือมหากลับถอยหลังเข้าไปเมื่อสเสบสองมหากับถอยหลังนับจากพัฒกับ นี้เป็นกลับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์เป็นกับที่เรียกว่ามันดักกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าไว้ในพุทธวงข้อ18หน้า564ว่าต่อจากสมัยอ่ะนะวันเวลาผ่านไปจากพระพุทธเจ้า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 ผู้นำเหล่าใดที่นำสัตว์ทั้งหลายไปเพื่อพ้นทุกผู้นำเหล่านั้นเรียกว่าผู้ประเสริฐเป็นผู้นำประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำที่ประเสริฐ น, นะเพราะพาข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกข้ามพ้นจากทุกในปัจจุบันสัมปรายพกสัมปรายพ บ, าย พ, บพาข้ามพ้นจากพบโดยประการทั้งปวงพระมหาวีระพระองค์ผู้กล้วกล้านะผู้องค์อาจผู้กล้า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 และกรรมูปคายานและก็พระองค์มีพระปัญญาญาณเรียกว่าญาณจักสุมีทิพจักสุญาณจักสุและพระองค์ก็ยังมีพุทธจักสุเนี่ยนะพระองค์มีพุทธจักสตุตรวจรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายรู้อาสยะอนุสยะอัทธยาสายจริตอธิมุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายและพระองค์มีพุทธจักสุดวงตาแห่งความเป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะดวงตาของความเป็นพระพุทธเจ้าดวงตาแห่งความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเน่ยเรียกว่าพุทธจักรโสไม้ถึงสัพพัญยุตยานและอนนาวรณญ า, านยามที่ยังรู้สรรพสิ่งโดยไม่ติดขัดพระองค์ก็ทรงกำจัดความมืดบนอนทการเนี่ย น, นะก็บอกแล้วว่าความมืดอันนั้นคือความมืดที่ปกปิด ไม่ให้เห็นว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธาคาขามิหนีปฏิปทาความมืดที่ปกปิดอดีตทั้งมวลความมืดที่ปกปิดอนาคตที่ยังไม่มาถึงทั้งหมดปกปิดขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาต์ปกปิดกุศลอกุศลเป็นต้นเนี่ยนะก็คือปกปิดถ้าทำทั้งมวลน่ะนะที่ควรจะตรัสรู้ควรจะรู้ควรจะเห็นควรจะรู้แจ้งควรจะแทงตลอดด้วยปัญญา อะอวิชชาเนี ор, ่ยปกปิดไว้หมดพระองค์นั้นขจัดความมืดมนอนทการทําให้เกิดความรู้เหล่านั้นโดยประการทั้งปวงพระองค์ก็สว่างแล้วเนี่ยนะเข้าไปพระองค์เนี่ยยังโลกพร้อมทั้งเมื่อพระองค์นั้นขจัดความมืดได้สนิทได้หมดสิ้นแล้วพระองค์ก็ยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้สว่างนะพระองค์ก็ยังโลกคำว่าโลกก็คือโลกนี้พร้อมทั้ง เฮวาลูกให้สว่างให้สว่างนั้นคําว่าสว่างหมายถึงว่าให้เขารู้เขาเห็นจักสุทําให้เช่นโดยเฉพาะสว่างด้วยอะไรธรรมจักสุเนี่ยนะธรรมจักสุหมายถึงดวงตาที่เห็นธรรมยังเขาเหล่านั้นให้สว่างาให้มีดวงตาที่สว่างด้วยโสดาปติมัสกกาคสกธาธรมิมัคอนาคามิมัคและอรหัตตมัคเนี่ยนะพระองค์เนี่ยผู้มีกรุณามุ่งจะปลดเปื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจาก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 อิทธิเนี่ยนะตัวที่ทําให้ประสบความสําเร็จโดยประการทั้งปวงเนี่ยไม่มีผู้ใดเทียบกับพระองค์ได้พระองค์มีฤทธิ์ช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลได้พระองค์เป็นผู้มีศีลหาที่เปรียบนี้ได้มีสมาธิที่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบหมายพราะมีสมาธิที่มั่นคงหนักแน่นดุดขุนเขาสิเ น, นรุเนี่ยนะพระองค์ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงเพราะทำบางอย่างถึงฝั่งด้วยอภิน ญ, ญาถึงฝั่งด้วยปริญญาถึงฝั่งปหานะถึงฝั่งภาวนาถึงฝั่ง สัจคิริยาถึงฝั่งสมาบัติถึงฝั่งแห่งพละถึงฝั่งแห่งปัญญาคืเรียกว่าสิ่งใดที่เรียกว่าถึงฝั่งเนี่ยนะฝั่งหมายว่าที่สุดของที่สุดเนี่ยพรงได้ถึงที่สุดแห่งคุณธรรมเหล่านั้นแล้วแต่ถ้ากล่าวรวมๆก็คือว่าถึงฝั่งที่สุดคือปัญญาผู้มีปัญญาถึงที่สุดแล้วผู้แต่สรุปธรรมถึงที่สุดคือพระนิพพานแล้ว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 เป็นวาจาที่ไม่หยาบเพราะว่าไม่มีสภาพจิตที่หยาบเป็นวาจาที่มีประโยชน์เป็นสังวรวิในปหานวิใ น, ปนเป็นวาจาที่ทําให้ผู้ฟังมีกายกรรมสะอาดเป็นวาจาที่ทําให้ผู้ฟังมีมโนกวจีกรรมและมนโนกรรมสะอาดพระองค์ก็กล่าวพระวาจาเหล่านั้นที่สะอาดด้วยสัพพัญยุตยานเป็นสมุทฐานมีกรุณาเป็นต้นเป็นสมุทฐานผู้ที่ฟังและปฏิบัติตามก็ถึงความเป็นผู้ สะอาดนีนะท่านพระองค์ก็เลยประกาศพระวาจาอันสะอาดในหมื่นโลกธาตุมีผู้ตรัสรู้อริยสัจเข้าถึงความสะอาดคืออริยมรรคและพระนิพพานร้อยโกดบรรลุร้อยโกดเนยนะเห็นอริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้า น, นะตอนนี้อนุโมอะไรนะตอนนี้ขออนุโมท่านไปก่อนอนาคตเดี๋ยวคนอื่นก็อ น, อนุโมทนากับเราบ้างเราได้เห็นตามอย่างนี้บ้างนะนะการแสดงธรรมของพระองค์มีผู้ตรัสรู้ตามร้อยโกด ส่วนครั้งที่สองเนี่ยนะพิสมัยการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะทำมาพิสมัยการตรัสรู้อริยสัตว์ได้มีแก่สัตว์90โกรครั้งที่3 ม, มีสัตว์ตรัสรู้ตาม60โกรครั้งนั้นพระติสสะพุทธเจ้าทรงเปลืองสัตว์คือมนุษย์และเทวดาให้พ้นจากเครื่องผูกคือสังโยชน์เนี่ยนะพระองค์เนี่ยตัดเครื่องผูกคือสกายติทิวิจิกิจชาสีระพตะปรามมาริสยาอิจชาและริสยาสังโยชน์ ที่ดึงไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตินรกนะนะพระองค์ก็ตัดโซ่ห้าเส้นเหล่านี้ออกไปพระองค์ก็ตัดโซ่คือการมาราคะสังโยติปฏิฆะสังโยชต์ที่ผูกไว้ในกามพบพระองค์ก็ตัดโซ่คือรูปปร ะ, ะรูปปรคาคะรูปปรคาคะมานะอุทะจ า, าวิชาให้พ้นจากพบทั้งปวงพ้นจากเครื่องผูกทั้งปวงพระองค์ก็เปลื้องสัตว์ให้พ้นภัยเนี่ยนะไม่ต้องอย่างที่กล่าวในสูตรหนึ่ง สูตรว่าด้วยสุนัขถูกล่ามโซ่เขากนันนะเหมือนอย่างว่าสุนัขที่ถูกล่ามโซ่นะถูกล่ามโซ่ผูกคอไว้กับผูกไว้กับที่หลักเนี่ยนะสุนัขนั้นจะเดินก็เดินข้างหลักนั่นแหละเพราะตัวเองถูกล่ามโซ่เอาไว้ถ้าจะยืนก็ยืนอยู่ใกล้ใกหลักถ้าจะนั่งก็นั่งใกล้หลักถ้าจะนอนก็นอนอยู่ใกล้หลักฉันใดปุตุชนก็เหมือนกันมีตันหาและทิฏฐิอิงอาศัยอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกับ หลักเหมือนกับหลักโซ่ก็คืออะไรสังโยชนิที่ผูกล่ามเอาไว้ให้ติดอยู่ในโซ่เพราะนั้นก็หลับไปพร้อมกับเรียกว่าอะไรหลับพร้อม ก, กับการคิดถึงขันห้าตื่นก็คิดถึงขันห้าเดินยืนนั่งนอนใจก็วนเวียนเวีย น, ว, ยนวนอยู่ในขันห้าเพราะฉะนั้นสัตว์ก็เลยเหมือนกับว่าถูกผูกไว้กับหลักคือขันห้าพราะองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้ปลดเปลื้องตัดตัดสังโยชนิตัดเครื่องผูกเครื่องร้อยเครื่องรัดที่ผูกมัดเอาไว้กับ ขันห้าให้ถึงธรรมะที่ปลอดโปร่งโล่ ง, ลงกเกษมปลอดภัยที่สุดนั้นก็คือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ปลอดโปร่งโล่งจากภัยทั้งปวงโล่งจากโยคะทั้งปวงหลุลดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงพระติสสะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์มีสันนิบาตการประชุมพระสาวกอรหันตสาวกขีณาศพผู้ไร้มนทินผู้มีจิตสงบ ผ้าหันสาวกเหล่านั้นผู้คงที่อยู่3ามครั้งนะก็คือโดยมากก็การประชุมที่ประกอบไปด้วยองค์4ีใช่ไหมว่าพราสาวกเหล่านั้นต้องเป็นเอหิภิกขุอุปสมปทาพระพุทธเจ้าบวชให้อย่างที่สองเป็นผ้าหันทั้งหมดอย่างที่สท่านเหล่านั้นมาประชุมโดยไม่มีการนัดหมายแล้วก็อย่างที่สโดยมากก็วันมาฆบูชาวันเพนเดือน3นะวันมาฆบูชามันการประชุมครั้งที่1 พระขีนาศบแสนหนึ่งครั้งที่สองอนะเล้านการประชุมครั้งที่38ล้านานะมีเป็นล้ า, ลานๆเลยนะเยอะมากเป็นการประชุมของพระขีนาศพไร้มนทินคาว่าไร้มนทินก็คือไม่มีมนทินคือราคาโทสะและโมหะไม่มีความชั่วติดพันอยู่ในกายวาจาและใจบานแล้วด้วยอรหั ต, ตผลวิมุติเนี่ยนะ พูถึงพระโพธิสัตว์ของเราสมัยนั้นพระองค์เป็นกษัตริย์ชาตินั้นเป็นชาติที่เป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าสุชาติพระเจ้าสุชาตินี้ก็สละโภคสมบัติอย่างยิ่งใหญ่บวชเป็นฤาษีเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็สละโภคทรัพย์ออกบวชเพราะว่าอัธยาศัยปกติของพระโพธิสัตว์นั้นก็คือโดยมากอยู่ในเพศนักบวชเนี่ยนะถ้าถ้าหากว่าสามารถพอที่จะบวชได้พระองค์ก็จะ บวชเพราะว่าผู้ที่บวชนั้นสามารถเจริญกุศลได้มากกว่าไม่บวชก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าคารวาสเนี่ยคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลี น, นะไม่ปลอดโปร่ง น, นะก็อย่างว่าเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมาก น, นะเวลาโดยทั่วไปเนี่ยนะเวลาเข้าลาพระกลับเนี่ยเขาก็มีอะไรอันด่านี้มายังพันเตอปุชามะมายัง พระหุกรณิยาเป็นต้นนะบอกว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาขอลักกลับก่อนละว่างั้นเออเห็นเวลาพิจารณาเอากลับไปเถอะว่างั้นยะสะธานิตุมเห่งกัลังมัญทะบอกเออพิจารณาเอากันแล้วกันแปลว่าไปเถอะ สางต่อไปกันแล้วกันนะคือก็เป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากอันนี้ปกติเพราะนั้นโดยมากจึงน้อมไปเพื่อจะอยู่ในเพศนักบวชเนี่ยนะสามารถที่จะเจริญกุศลอย่างเรียกว่าเพศนักบวชนั้นเป็นเพศที่สามารถเจริญกุศลได้มากที่สุดเนี่ยนะนะถ้าผู้ใดไปดูในมิลินทปัญหาเนะี่ยในมิลินทปัญหาหลายปัญหาด้วยกันที่กล่าวถึงอันนี้ส์ของการ ออกบวชเนี่ยนะอา น, นิสงของผู้ที่เป็นนักบวชซึ่งผู้ที่ไม่ได้บวชยากที่จะทําได้นะนะโดยเฉพาะในการเจริญกุศลเนี่ยเพราะผู้ที่ไม่ได้บวชนะก็มีเรื่องภาวะพวาหวงห่วงหน้าผวาหวงล้างห่วงคเรียดกดว่าจับไปตรงไหนก็บ่วงผูกติดมือมติดหมักไปหมดว่างั้นนะ่ยคิดถึงบ้านก็นห่วงบ้านคิดถึงลูกก็ห่วงลูกคิดถึงพี่กำลงานก็ห่วงมันห่วงไปหมดแหละว่างั้นมันก็เลยยุ่งมากที่ยากที่จะเจริญกุศล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 เป็นถ้อยคําที่เครียกว่าอะไรนะไม่ทานข้าวก็อยู่ได้แบบนั้นนะเพราะว่าเป็นถ้อยคําเป็นที่ตั้งแห่งความเอิบอิ่มทางจิตใจเนี่ยนะคือ ถ, ถ้าก็คิดนะถ้าพูดถึงว่าในโลกเนี้พูดถึงคําไหนแล้วเราสบายใจเอาคําว่าพระผู้เจ้านี่พูดแล้วสบายใจแต่คําอื่นๆนะแมมตอนแรกก็สุขภาพจิต ด, ดีๆหัวเราะร่าอยู่ดีๆเนี่ยนพะพอพูดถึงคําบางคำแค่นั้นนะแหละเครียดเลยนะเอยชื่อหลายๆชื่อเนี่ยนะบางชื่อนี่ก็ง่อยเลยนะ ซึมไปเลยก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าในยิ่งพูดถึงเว้นไว้แต่ว่าเราเนี่ยแม้หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะกำลังทําอกุศลมาใหม่ๆเนี่ยกำลังหัวเราะด้วยอกุศลพอพูดถึงคําว่าพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยหกเลยเพราะอะไรเพราะละอายใจเนี่ยนะละอายใจว่าใจทําในสิ่งที่ไม่สมควรฤศีพระโพธิสัตว์นั้นพอได้ฟังเสียงว่าพุทธโธเกิดขึ้นเนี่ยนะท่านก็ปีติปราบปลื้มใจมากเพราะคําเหล่านี้ใช่ว่าจะหาได้ยินได้ฟัง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 อย่างสมมติเรานั่งกันสองสาคนเนี่ยพูดถึงคนอื่นนะพูดได้หมดเลยพอพูดถึงพระพุทธเจ้าเมื่ อ, อไรปั๊บวงแตกและนะพอเอ่ยคําว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่ อ, อไรและเริ่มเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นชักทุกคนอึดอัดใจชักลําบากใจชักเครียดเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่เคยส่องเสพคําว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาเขาไม่เคยสั่งสมพุทธานุสติเขาไม่เคยสั่งสมบุญว่าสนามไม่ได้ปลูกฝังบุญกุศลโดยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มันจิตใจของเขารองรับ คนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รองรับพระพุทธคุณไม่ได้เมื่อรองรับพระพุทธคุณไม่ได้นี่ก็ยิ่งกว่าตกเครื่องไงกันนะพระโพธิสัตว์นั้นหลังจากที่ได้ยินเสียงว่าพุ ท, พทโธพระองค์ก็ดีใจมากนะก็เลยใช้มือทั้งสองประคองดอกไม้ทิพย์คือดอกมณทารพบดอกประทุมดอกปริชตตกะสะบัดผ้าขากรองแล้วก็เอาดอกไม้เหล่านี้ไปบูชาพระพุทธเจ้า เหมือนอะไรเหมือนอสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทศีพระโพธิสัตว์ก็เป็นรูสีเหมือนกันเนี่ยนะเป็นรูสีที่เอาดอกไม้อะนะดอกไม้ทิพย์ไปบูชาพระพุทธเจ้าในหน้าห้ายยีดเนี่ยที่พระองค์ตรัสเล่าไว้ในพุทธวง์เรื่องพระพุทธเจ้าอัฏฐทศีว่าสมัยนั้นเราเป็นชนินผู้มีตาบะสูงชื่อว่าสุสิมะ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 เ2กับนับจากกับนี้ไปท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตให้ฟังว่าพระตถาคตคะนะคว่าตถาคตคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นมาด้วยการสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมออกมหาพิเนศสกรมจากกรุงกบิลพัทอันหน่ารื่นรมตั้งทตั้งความเพียรรมทุกะกิริยา พระตถาคตประทับนั่งณนโะคนต้นอชปาลนิโครธทรงรับเข้ามาทุปายาตนะที่นั้นแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งไว้พระองค์ก็เสด็จไปที่ต้นโคนต้นโพจากนั้นพระผู้มียศใหญ่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 พระพุทธอุปถากชื่อว่าอานันท์จักบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระองค์จักมีพระอัคารสาวิกาชื่อว่าพระเคมาและพระอุบลวานาผู้ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพอผลกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัต t h อัคารอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถ h อละวะกะ อ, าาะอัคราอุปถายิการชื่อว่านันทมาตาและอุตรา พระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมายุร้อยปีอายุไม่มากเนาะของเราเนี่ยร้อยอยังหายากเลยตัวเลขเกินร้อ ย, นา ย, ายนะนเนี่ยไหมหายากยากนะนะคนนี้ก็สี่ห้าหกี่สบสามสิเอี่สิบห้าสก็เป็นโรคมะเร็งขึ้นเยอะมันก่อนนั่งคุยอาจารย์คนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องด้านการตรวจมะเร็งโดยตรงเลยนะ